ต้นทุนชีวิตได้มาจากกรรที่ทำไว้ทุกอย่างล้วนเป็นเหตุการณ์อันเกิดจากการตัดสินใจไหลซึมเนื่องมาเป็นลำดับถ้าทำงานออกแบบและหันมามองมนุษย์คุณจะไม่อยากเชื่อว่ามนุษย์ถูกออกแบบด้วยความบังเอิญความบังเอิญออกแบบให้ต่างกันขนาดที่บางคนเหมือนผีบางคนเหมือนนางฟ้าเทวดาอย่างนี้เลยหรือความบังเอิญ ออกแบบเห้ดีเมีโครงสร้างเป็นระบบระเบียบทางคณิตศาสตร์เป็นสมการให้ถอดรหัสได้ขนาดดีเลยหรือคนทุกยุคเกิดมาพร้อมกับการทึกทักว่าโลกและจักรวาลคือการออกแบบของผู้สร้างแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยุคเราที่เริ่มเข้าถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเป็นภาพลวงตาของจักรวาลและการทางานลี้ลับของสมองก็ยังตั้งทฤษฎีขึ้นมาประมาณว่า สมองของเราอาจจะอยู่ในขวดโหลที่มีสายไฟฟ้าโยงใหญ่บังคับให้เห็นให้ได้ยินให้รู้สึกไปทางๆนาน า, นาแท้ที่จริงไม่มีอะไรจริงเลยเมื่อมองไปรอบๆกว้างๆทุกลัทธิทุกศาสนาทุกวิทยาการล้วนไปถึงจุดหนึ่งแล้วติดกำแพงความไม่รู้ไม่รู้ว่ามนุษย์และสัตว์มาอยู่ในเกมที่เห็นชัดๆว่ามีการออกแบบนี้ได้อย่างไร คนฉลาดที่สุดในโลกไปไกลถึงขั้นที่สรุปว่าทุกอย่างถูกออกแบบมาจากแรงโน้มถ่วงก่อนเกิดบิ๊กแบงอย่างเดียวพอมองย้อนกลับมาดูที่พระศาสดาของศาสนาพุทธประกาศบอกเราจึงค่อยเห็นว่าพระปัญญาของพระองค์ทำลายข้อจำกัดทางความไม่รู้ได้ถึงไหนพระองค์จับจุดถูกว่ากายนี้ใจนี้ของพระองค์และของพวกเรา ไม่ได้ก่อรูปก่อร่างต่างมาจากความบังเอิญถ้ามีสมาธิช้าที่บริสุทธิ์พอก็ย้อนดูได้ตั้งแต่นาทีก่อนชั่วโมงก่อนวันก่อนปีก่อนสิบปีก่อนหลายสิบปีก่อนกระทั่งอยู่ในท้องและกระทั่งทะลุปไปรู้ความจริงก่อนเกิดมาทุกอย่างล้วนเป็นเหตุการณ์อันเกิดจากการตัดสินใจไหลสืบเนื่องมาเป็นลาดับส่วนใหญ่ถูกลืมถูกลบความจาไปจนเกือบหมด จำได้แม่นที่สุดคือตอนนี้กำลังอยากได้อะไรเท่านั้นใครก็ตามที่พ้นจากกำแพงความไม่รู้พ้นจากกำแพงอันแคบจำกัดของประสาทหูประสาทตาในชาตินี้จะเห็นภาพรวมว่าเหตุของการได้รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีผิวพรรณดีจะตตาดีคือการสะสมกองบุญซึ่งมีพลังออกแบบให้ชีวิตสว่างส่วนเหตุของการได้รูปร่างหน้าตาแย่ฐานะแย่ ผิวพรุ์แย่จะตาแย่คือการสะสมกองบาปซึ่งมีพลังออกแบบให้ชีวิตมืดเบสิกจริงๆมีอยู่แค่นี้แต่พระพุทธเจ้ายังรู้แจ้งทางตลอดถึงที่สุดขณะที่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเกมแห่งความไม่รู้อันเป็นทุกข์เมื่อรู้แจ้งเลิกงับเหยื่อเสียได้จึงหลุดออกจากเกมอันเป็นทุกข์โดยไม่รู้จบนี้เสียได้ เมื่อไม่รู้ว่าตัวเองกําลังออกแบบคนส่วนใหญ่จึงก้มหน้าก้มตาออกแบบอย่างไม่รู้กันต่อไปและเมื่อไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคนส่วนใหญ่จึงปิดหูปิดตาสำคัญว่าพระพุทธศาสนาเป็นเพียงความเชื่อสืบๆกันมากันต่อไป มาเหตุผู้อ่านจากบทความนี้มีคอมเมนต์ในเพจว่าไม่ชอบแนวคิดของพูดแบบนี้ที่มาสอนให้คนเข้าใจว่าเพราะบุญจึงเกิดมาหน้าตาดีทั้งที่สอนให้ปล่อยวางการมาสอนให้ทาดีเพื่อหวังให้หน้าตาดีจะไม่เป็นการขัดแย้งกันและจะทําให้ยิ่งหลงยึดติดมากขึ้นซึ่งความจริงคําสอนในศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่ความเชื่อนะครับแต่เป็นความจริงที่ทรงตรัสรู้ คือเห็นแจ้งรู้จริงในพบชาติทั้งปวงว่าทำอะไรจะได้ผลอะไรในทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ชัดนะครับว่าจิต ท, ที่ดีส่งให้ร่างกายดีระบุร่างกายดีแต่ชีวิตไม่ได้มีแค่ชาตินี้อภิญญาบางข้อนั้นทำให้รู้ผลของกรรมว่าใครทำอะไรจึงได้เป็นอะไรจึงได้เกิดมาแบบไหนแต่ศาสนาพุทธก็ไม่ได้สอนแค่นี้ไม่ได้สอนให้ยึดติดว่าต้องทาดีเพื่อความสวยความรวย ยังสอนไว้โดยละเอียดว่าสุดท้ายแล้วชีวิตก็ไม่เที่ยงความสวยก็ไม่เที่ยงความรวยก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นการบอกว่าทําอะไรแล้วได้อะไรมีอานิสงส์อะไรนั้นก็เหมือนกับการบอกว่าถ้าเอามีดกรีดแขนต้องบาดเจ็บในแนวทางของพุทธนั้นท่านไม่ได้ห้ามนะครับว่าใครอยากทําอะไรเพียงแต่บอกว่าทําสิ่งนี้จะได้สิ่งนี้เราให้เลือกเอา แต่ละสำคัญก็คือการฟังคำสอนนั้นต้องฟังให้ครบถ้วนต้องศึกษาให้รอบด้านว่าจุดประสงค์จริงๆท่านสอนอะไรท่านเน้นอะไรที่บอกอ น, นิสงมานั้นท่านไม่ได้บอกเพื่อล่อให้คนทำดีซึ่งตามปกตินั้นท่านจะมีการสอนอย่างเป็นระบบเช่นที่เรียกว่าอนุปุพิคถาคือการบอกผลตามเป็นจริงของการทาบุญการให้ทานการรักษาศีลว่าจะส่งผลดีอย่างไรแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้น ยังทรงบอกถึงเรื่องโทษของกามโทษของสวรรค์และการออกจากกามไปตามลำดับไม่ได้บอกอานิสงส์งของการทำบุญเพื่อลอให้คนทำบุญอย่างที่เข้าใจกันนะครับและในบางครั้งเองก็ต้องเข้าใจว่าคนเราจริตปัญญาต่างกันคนอีกจำนวนมากที่ยังยึดติดในกามะคุณอย่างเหนียวแน่นนั้นบางครั้งก็ต้องมีกุศโลบายอยู่ดีจะให้ตัดใจจากสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ก็มีบ้างเป็นตัวอย่างที่ใช้เหยื่อล่อเช่นคราวที่ทรงยรมิดให้พระน้องชายของท่านได้เห็นนางฟ้าที่สวยงามแล้วบอกว่าถ้าปฏิบัติตามเราจะได้นางฟ้าแบบนี้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงยอมไม่ไปแต่งงานและปฏิบัติจริงจังตามคําสั่งของพระพุทธองค์จนเมื่อปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งก็เห็นความจริงว่ากามคุณ น, นั้นมีโทษมากในที่สุดก็เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ต้องการสาวงามอย่างที่เคยต้องการมาก่อน และท่านก็ได้บรรลุอรหันต์เนี่ยที่สุดนะครับเป็นธรรมดาของโลกนะครับว่าคนทำบุญย่อมน้อยกว่าคนทำบาปสินห้านั้นจะมีสักกี่คนที่สามารถรักษาได้จริงเมื่อคนรักษาสินบริสุทธิ์ได้จริงมีน้อยผลกรรมที่เกิดกับคนจำนวนมากจึงเป็นไปในทางลบมากกว่าจึงเป็นธรรมดาที่คนจำนวนมากโดยทั่วไปจะมีพื้นฐานชีวิตไม่ดีมากกว่าดีและคนจานวนมากนั้น ก็มักจะคิดไปในทางว่าเหมือนโดนดูถูกว่าที่เกิดมาเป็นแบบนี้เพราะบาปเก่าซึ่งแนวคิดแบบนี้นะครับเป็นแนวคิดที่เข้าข้างตัวเองเป็นการปกป้องตัวเองเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตแบบปุตุชนแต่ถ้าเปิดใจยอมรับและศึกษากันจริงจนเห็นได้ชาติว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆในชีวิตหรือความไม่สมบูรณ์ต่างๆของเรานั้นเกิดจากบาปกรรมหรืออกุศลกรรมหรือการที่ไม่เคยรักษาศีลไว้ก่อนจึงส่งผลให้แบบนั้น ให้สังเกตนะครับว่าคนที่คิดได้อย่างนี้จะเกิดฮิริโอตับ ป, ปะความเกรงกลัวละอายต่อบาปได้ง่ายไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเจอนั้นเป็นสิ่งที่ตัวเองได้ทําไว้ข้อมูลพวกนี้ก็จะสะสมไว้ในจิตใต้สำนึกและสืบต่อไปถึงชาติหน้าได้เกิดใหม่ก็จะเป็นคนที่เกรงกลัวบาปและสานึกผิดได้ง่ายเช่นกันเอาแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวจะส่งผลดีกับคนคนนั้นแค่ไหนคนเรานะครับ ถ้าไม่รู้ตัวไม่สานึกในความผิดของตนก็ไม่มีทางเลยที่จะพัฒนาตนเองไปได้ให้สังเกตหลักของการปรงอาบัตของพระนะครับจุดประสงค์หลักก็คือความสานึกผิดหรือความละอายเกรงกลัวต่อบาปต่อการทำผิดนั่นเองซึ่งจะมีผลดีให้ตั้งมาอยู่ในกุศลได้ง่ายต่อไปไม่ใช่สังต ว, ว่าปรงอาบัตแล้วก็ยังขืนทาต่อไปการศึกษาศาสนาต้องรอบคอบ ละศึกษาให้ครบถวนทุกด้านถ้าจับมาแค่บางประโยคหรือไม่ศึกษาให้รอบด้านจริงก็อาจจะเกิดเป็นมิจฉาทิฐิและเข้าใจคำสอนผิดไปได้ก็ขอฝากไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ